อารมพร้อมดูกายดูใจนะต่อเ น, นื่องทำความรู้สึกตัวนะมันตีก็มีการมีความคิดมันเกิดขึ้นเราไปอดีไปเที่ยวนาคบก็นะให้กลับมารู้สึกตัวนะถ้ากลับมาแล้วก็มันมี ที่พึ่งที่พึ่งอยู่ที่ใจถ้าไม่มีสติไม่มีโอกาสรู้สึกตัวก็ไปเที่ยวหลมทางไปดูกายแอดเป็นกายก็พิกทำพิกวาจาทำพิกแล้วก็จิตใจก็ร่างเรื่อมนมาให ความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นสารพัดเรื่อนแต่ว่าเราก็ดีนะกนมีพื้นฐานคือการรักษาสิงดูจักรทามแล้วก็เราก็ปฏิบัติลมือเป็นภาวนาทำความรู้สึกตัวได้ ติดอิบันทีก็ได้พบสิ่งที่เขาทำปิดทาถ้าแล้วไม่มีสติไม่รู้สึกตัวแล้วก็สางรเดื่อนว่ามันกึ่มใจ่วนตัวเองแล้วก็เป็นงงาบองอนาคต อดีตเขาทำอย่างนี้ก็เลยชาณาพศก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็สร้างคว า, งงามงำวนด้วยตรงเองหรือว่าเราทำผิดเพราะว่ามีคนนี้คนนั้นแต่ว่าดาฉันก็เลยมันมีความกรอบแก้ความคิดมันเรื่อนอดีต เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็สร้างาความกรอบมากขึ้นก็ได้เมือว่าเราก็ทำผิดพลาดแล้วความคิดมันเกิดขึ้นก็ด่าดตัวเองว่าตัวเองนัง่น ไม่มีค่าพอเราก็ไม่ดีไม่ดีข็อเราบอกไปเรื่อยๆในใจก็สร้างความทุกข์ก็มากนิ่งขึ้นแต่แว่าคนที่มีสติมีความปัญญาฉลาดแล้วก็เราก็า ม, มาใช้ความคิด ที่เรื่องอดีตเกิขึ้นว่าเป็นผิดพลาดเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็รู้ว่าอ๋อทำอย่างนี้ต่อไปจะได้สาเร็จมันเป็นข้อมูลที่ดีนะเราทาเคยทำเป็นอย่างนี้อย่างนั้นผิดพลาดก็ดีเพราะเราก็มันเป็นเอามาใช้ได้เพื่อประโยชน์ต่อไปชีวิต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 ความทุกข์ไปเรื่อยๆก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีคนที่มีสติก็มีค่ามากเรื่องอดีตนากรก็ขาขมาใช้ไม่ใช่เป็นเรื่องความคิดไม่ดีหรอกความคิดก็ดีถ้าเราใช้เป็นอารมต่างๆก็ดี ถ้าเราใชใช้เป็นถ้าใช่ไม่เป็นนะก็เป็นหนักสมมันทำให้เกิดความทุกข์โดยตรงแอนนะครบพระุเจ้าก็พิจารณาเรียบร้อย